สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้มันสวนทางกับคนส่วนใหญ่ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่พากันแสวงหาทรัพย์สมบัติอยากมีอยากได้อยากครอบครองให้มากๆแต่ว่าเรามาปฏิบัติกันเพื่อลดเพื่อละ เพื่อการปล่อยวางให้มากที่สุดใ น, นขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาความสุขจากวัตถุพวกเรามุ่งแสวงหาความสุขทางใจตัวนี้ผู้คนพากันสนใจกับสิ่งนอกตัวมากตั้งแต่เรื่องดารานักร้องศิลปิน เปถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าสนใจอยากรู้ไปถึงเรื่องจั ก, กรวาลนะแต่พวกเราหันมาสนใจนะเรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองในขณะที่ผุคคนส่วนใหญ่พยายามนี้ออกจากตัวเองนะโดยไปโจมอยู่กับ สิ่งเศรความเพลิดเพลินสนุกสนานหรือหมกมุ่กับงานการแต่ว่าพวกเรากลับมาพยายามเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจให้เข้าถึงความจริงแท้ทวันนี้ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบมากพยายามแข่งกับเวลา เหมือนกับว่าเวลานี่เป็นศัตรูที่ต้องเอาชนะแต่พวกเราก็มาใช้ชีวิต อ, อ, อย่างาเนิบช้าไม่เร่งรีบไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องแข่งกับใครแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะเดีย๋ยวนี้ผู้คนจำนวนมากก็บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา แต่ว่าเรามีเวลาเหลือเฟือมีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมีเวลาที่จะมาสร้างจังหวะมีเวลาที่จะอยู่กับปัจจุบันทั้งหมดที่เราทำนี่ก็คงเห็นนะว่ามันสนทางกับสิ่งที่กำลังเป็นไปในโลกของคนส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้พูดว่า ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มุ่งที่การแสวงหาการครอบครองการมีให้มากๆนะแต่ว่าพวกเรามามุ่งที่การปล่อยการวางการสลักมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าใหการแสวงหาทรัพย์สินมันเป็นของไม่ดีนะพระพุทธเจ้าก็ก็ยังพูดด้วยซ้ำนะว่า คนเราต้องขยันหมั่นเพียรในการทํามหากินพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีทรัพย์การครอบครองทรัพย์ที่จริงยังถึงกับแนะนําวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ด้วยเช่น ว, ว่าถ้าได้ทรัพย์มาแล้วก็จะต้อง1ในสก็เอามาใช้เพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนที่อยู่ใกล้ชิดให้มีความสุข แม่อัตคัดอีกหนึ่งในสีก็เก็บเอาไว้เพื่อการาลงทุนการประกอบกิจการงานอีกครึ่งหนึ่งนะม่นในสที่เหลือกในสีก็ให้เก็บไว้นะเผื่อใช้ในยามขาดแคลนแต่ที่แต่เท่านั้นยังไม่พอนะ สิ่งทำไมคือว่าการฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดติดถือมั่นในวัตถุเหล่านั้นก็ยังทำมาหาเงินก็ยังเก็บ อ, ออมทรัพย์สินอยู่แต่ว่าใจนี่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าไปยึดติดถือมั่นก็ทำให้เป็นทุกข์ เงินทองแทนที่จะทำให้มีความสุขก็กลับให้ทำให้เป็นภาระเป็นความทุกข์กัดกลุมในการรักษาเสียใจเมื่อสูญเสียมันไปหรือว่ามันอาจจะไม่สูญเสียจะมาลดค่านะทองหรือที่ดินที่เรามีวันดีคืนดีมันลดค่าลงนะที่ดินลดค่าลงเหลือ1ใน2นี่ หรือว่าทองนี่ราคามันตกลงบางคนนี่กุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องหุ้นนะถ้าหุ้นมันตกระนาวนี่ค่าดตัวตายได้แทนที่จะเป็นสุขเพราะมันก็กลับเป็นทุกข์เพราะมันอันนี้เพราะวางใจไม่ถูกนะที่ฝึกให้ที่เรามาฝึกการลดการละนี่ก็ฝึกตรงนี้นะคือลดละที่ใจแม้ว่า จะยังมีทรัพย์มีสมบัติอยู่แต่ว่าไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับมันซึ่งทำให้เราเป็นนายของมันอย่างแท้จริงแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรายึดติดถือมัน่นว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเราเราก็จะกลายเป็นของมันทันทีมันกลายเป็นนายเราไม่ใช่เราเป็นนายมันอันนี้เป็นเพราะทุกคนคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะ ไปคิดว่าการมีมากๆเป็นของดีโดยที่ไม่ได้รู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางในจิตใจไ ม, ไ, ไม่ได้รู้จักเห็นความทรงของการคลายความยึดติดถือมันในสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายมาเป็นจุดหมายของชีวิตพอกลายเป็นจุดหมายของชีวิตก็กลายเป็นว่าทั้งชีวิตนี้ไม่เป็นอันทําอะไรนอกจากการทํามาหาเงิน สุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยว่าไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาไม่มีเวลาคนสมัยนี้จะบ่นมากนะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะหลับจะนอนถามว่าเวลาหายไปไหนหมดก็ไปใช้ในการ หาเงินหาทองนหลายคนก็บอกว่ามันต้องสมัยนี้มันเศรษฐกิจเ บ, บรัรนะต้องถ้าไม่ไม่หาเงินหาทองก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยทั้งทังที่มีมาก ม, ไมีไม่ได้เศรษฐกิจไม่ได้รัดตัว จัดว่าเป็นเศรษฐีแต่ก็ยังบ่นว่าไม่มีเวลาฉะนั้นที่ไม่ได้มีความจาเป็นจะต้องไปหาเงินหาทองหรือแล้วเพราะว่า เ, ง, เงินที่มีเนี่ยมันใช้มรุก่ชาก็ไม่หมดแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาเอาเวลาไปไหนเอาเวลาไปหาเงินให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแสดงว่าเพราะมีความอยากความอยาก อยากมีมากๆเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนอายุด70ดแล้วนะแทนที่จะเอาเงินที่มีอยู่นี่มาใช้ให้เกิดความสุขก็ยังไปคิดหานะทำกิจการต่างๆสร้างโครงการใหม่ๆเพื่อที่จะมีเงินมีทองให้มากขึ้นแล้วก็เครียดนะเพราะว่าเศรษฐกิจ มันชะ ง, งักงานการเมืองไม่นิ่งอย่างที่ผ่านมาหกเจ็ดเดือนมีประท้วงเศรษฐกิจก็ชะ ง, งักงนินเศรษฐีหลายคนกุมใจเพราะว่าเงินทองเพราะว่าโครงการต่างๆที่ลงทุนเอาไว้นะมันมันชะ ง, งักก็ เ, เครียดพอเครียดแล้วก็จะต้องดิ้นหล่นละว่ามันจะอยู่รอดได้อย่างไร ก็กลายเป็นว่ายิ่งไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่จะก็แปลกนะบางคนนี่ก็ไม่ได้ทํางานอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังบ่นว่าไม่มีเวล า, วาเวลาหายไปไหนแตทั้งที่เงินทองที่มีนี่ก็ซื้อเครื่องทุนแรงได้เยอะสามารถจ้างคนทำโน่นทํานี่ได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องทําอะไรจ้างคนมาทำครัวจ้างคนมาทําความสะอาดนะ จ้างคนถ้าไมจ้างคนก็ไปซื้อเครื่องยนต์ที่ช่วยทุนแรงทุ่นเวลาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องต้มน้ำํำสมัยนี้คนสมัยนี้นี่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกมากมายอุปกรณ์ที่ทุ่นเวลาแต่ จ, จริงมีมากเท่าไหร่เวลาก็กลับเหลือน้อยลงไปทุกทีไม่เหมือนก็ชาว บ, บ้านชาว บ, บ้านนี่อุปกรณ์ทุนเวลานีน่มีน้อย รถจ น, นก็บางทีไม่มีต้องเดินเอาแต่ว่าเขากลับมีเวลาหรือเฟือมีเวลานั่งเล่นมีเวล า, าทอผ้ามีเวลาสารกระบุงตา ก, ก้ามีเวลาอยู่กับลูกอยู่กับหลานถ้หมือนก็น่าแปลกนะยิ่งมีเงินมากยิ่งมีฐานะที่ดีมากเท่าไหร่กลับรู้สึกว่ามีเวลาน้อยลงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดเอาเองนะแต่ว่ามันเป็น มันเป็นข้อสรุปของในหลายประเทศเพราะว่าคนที่ยิ่งมีเงินเดือนสูงๆมีฐานะมากๆยิ่งมีปัญหาว่ามีเวลาน้อยหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีเวลาให้คนที่จนๆนี่กลับมีเวลามากกว่ า, าบางทีบางทีก็ไม่ได้ทํางานนะเพราะว่าเป็นแม่เป็นคุณนายแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรนะ อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเวลาเอาเวลาไปทำมาหาเงินแต่เป็นเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องทำนะไปดูคอนเสิร์ตไปงานแต่งงานไปสังสรร์ไปรับไปเมืองนอกเพื่อไปร่วมงานรับปริญญาของลูกไปหาซื้อที่ตามต่างจังหวัดหนะักกว้าซื้อที่ ไปเมืองนอกไปเที่ยวจะไปญี่ปุ่นดีหรือจะไปอังกฤษดีคือมันมีอะไรที่ต้องทําเยอะความอยากมีเยอะแต่เวลามีจํากัดก็เลยรู้สึกว่าเวลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าลองถามดูว่าไอ้ที่อยากทํานี่หรือที่ทําลงไปเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนก็อาจจะพบว่ามันไม่ค่อยได้สําคัญอะไรเลย พะมันเป็นแค่การเที่ยวการเล่นการกินการสังสรรค์มันไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตแต่คนทุกวันนี้ก็หมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็ไม่มีเวลาให้กับคนใกล้ชิดไม่มีเวลานะที่จะพูดคุยกับลูกไม่มีเวลาที่จะกินอาหารร่วมโตกับคนรัก ในครอบครัวไม่มีเวลาเทียพาพ่อแม่ไปเที่ยวหรือแม้จะไปเยี่ยมพ่อแม่ยิ่งกับเวลาสาหรับตัวเองเวลาที่จะรู้จักตัวเองเวลาที่จะใช้ในการค้นพบตัวเองหรือที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยยิ่งไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่ลองพิจารณาดูนะคนทุกวันนี้นี่เขา ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยนะว่าในการที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่เขาน้อยคนที่จะตระหนักว่าเวลาที่เขาจะมีอยู่ในโลกนี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆมันน่าแปลกนะคนผู้คนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่เขาไม่ค่อยได้คิดเลยนะว่า เวลาที่เขาจะมีเหลืออยู่ในโลกนี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่ลมหายใจมันจะหมดนะมันใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีเวลาที่หัวใจเขาจะเต้นทํางานอย่างเป็นป ก, ปกตินี่มันก็เหลือน้อยลงเวลาที่ตาจะมองเห็นหูจะได้ยินนะ แขนขาจะเดินเหินไปได้ตามปกตินี่มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าคนที่บ่นว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้นะมันก็แปลกดีเพราะถ้าเขาคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาจะชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปนะเขจะไม่เอาเวลาที่มีอยู่ไปใช้กับการทํามาหากินแบบตะบีตะบันหรือว่าไปใช้กับการเที่ยวการเล่นการสังสรรค์นจน ไม่มีเวลาเหลือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความจําเป็นหรือความสําคัญต่อตอนเองและครอบครัวคนที่บอกไม่มีเวลาไม่มีเวล า, วลานี่เขาไม่ค่อยได้คิดนะว่าเวลาที่พ่อแม่จะอยู่กับเขาเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆหรือเวลาที่ลูกจะอยู่กับเขาก่อนที่จะแยกไปมีชีวิตของตัวเองเนี่ยมันก็กําลังน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยๆ อันเขารู้เขาตระหนักเนี่ยเขาก็จะไม่มัวนะหมกบุญกับงานการหรือว่าเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นนะหรือว่าเอาแต่สังสรรค์เขาก็จะวางสิ่งเหล่านี้ลงแล้วก็หันมาให้เวลากับพ่อแม่หันมาให้เวลากับลูกมากขึ้น แตวคนสัญญาก็บอกไม่มีเวลานะที่จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวไม่มีเวลาที่ไปเยี่ยมพ่อแม่เ่อพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดหรือแม่แต่ลูกก็บางทีก็ไม่มีเวลาที่จะให้เวลากับลูกนะก็มีแต่เงินเท่านั้นที่จะให้กับลูกมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาจนกระทั่งชีวิตมันอ่าผิดเพี้ยนไปแต่เขาแทบไม่ค่อยได้คิด จริงๆ จ, จังๆเลยว่าเวลาของเขากำลังเหลือน้อยลงไปทุกทีเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะถ้าเขาคิดจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอาจจะทำอย่างที่ทำอยู่มันมันไม่ควรซะละต้องต้องจัดนะต้องจัดระบบจัดเวลาเื้อใหม่ อ่นมาให้เวลานะกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นอันมาให้เวลากับตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพื่อเตรียมตัวรับความตายที่จะมาถึงในวันที่หัวใจหยุดเต้นในวันที่หมดลมเท่านั้นนะแต่เพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่มีอยู่นะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการที่เข้าถึงความสุขความสงบ ในจิตใจเกิดมาทั้งทีนะแต่ว่าก็ยังทุกยังร้อนพอทรัพย์เพราะย์เพราะอะไรต่ออะไรมากมายนี่มันมันก็เหมือนกับว่าไม่คุ้มค่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นะพราะมนุษย์เราสามารถที่จะทําได้ดีกว่านั้นมนุษย์เราสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่ดีกว่านั้นได้ เรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงและกิจติยศนี่หรือแม้กระทั่งการมีสุขภาพดีการมีครอบครัวดีนี่พระเจ้าก็ยังถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ชั้นต้นนะต้องใช้คําว่าทิฏฐธรรมิกถะเป็นประโยชน์ชั้นต้นมันมีประโยชน์หรือความสุขที่ดีกว่านั้นเนะี่ยกความสุขที่เกิดจากการทําความดีเกิดจากการมีศีล ย่งเกิดจากการมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามเกิดจากการที่รู้จักแบ่งปันที่รวจากฆะหรือทานรวมทั้งการมีปัญญาที่สามารถแก้ทุกข์ได้ถ้ามีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีบริวารแค่ไหนั้นก็ยังไม่ทาให้มีความทุกข์มีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ยังมีความกังวลมีความวิตกมีความกลัว กลัวว่าของที่มีอยู่จะหดจะหายหรือว่าจ ะ, ะเสื่อมสภาพไปเมื่อมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมียังมีความความทุกเพราะอยากจะได้มากอีกไอสิ่งที่มีเนี่ยมันไม่ให้ความสุขไม่ให้ความพอใจอย่างแท้จริงก็ยังอยากได้อีกมีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอใจอยากจะได้อีกเพราะว่าสิ่งที่มีนั้นเนี่ยมันไม่ทาให เกิดความรู้สึกเต็มอิ่มมันก็ทําให้เกิดการต้องดิ้นรนแสวงหาเรื่อยไปไม่ต่างจากคนที่วิ่งแล้วนะวิ่งวิ่งอยู่บนลู่ลู่ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นลู่ออกกําลังกายนะมันก็หมุนไปเรื่อยนะไอ้นคนที่วิ่งบนลู่นะั่ก็วิ่งแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนแต่ต้องวิ่งเพราะถ้าไม่วิ่ง นะก็จะถอยหลังก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆแต่ว่าความสุขก็เท่าเดิมนะความพอใจก็ยังเท่าเดิมก็คื อ, อยังไม่เต็มอิ่มนะต้องต้องหาอีกนะต้องมีมากๆอีกมีแล้วได้แล้วก็ไม่พอใจอาจจะดีใจชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ต้องดิ้นรนมาอีกแต่ถ้าเกิดว่าเรานะ รู้จักจิตใจของเราแล้วก็ฝึกฝนจิตใจของเรานะให้เข้าถึงประโยชน์ขั้นสูงที่เรียกว่าสามปรยายกัตถะสามปรยายกัตถะคือประโยชน์หรือความสุขที่อยู่สูงขึ้นไปจากประโยชน์ชั้นต้นนะก็คือความสุขทางใจเช่นเกิดความมั่นใจในศีลในความดีที่เวรธรรมเกิดความอิ่มเอิบปิติพอมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม นะเกิดความเย็นใจเพราะว่าได้เผื่อแผ่เสสละเอื้อเฟื้อผู้อื่นแล้วก็เกิดความแก้วกล้ามั่นคงเพราะว่ามีปัญญานะคนเราถ้ามีปัญญามันไปไหนก็ไม่ไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้พยองถนะึงแม้จนนะก็ไม่รู้สึกตัวรีบเมื่อ เดือนที่แลานี่ก็ไปเห็นโฆษณาหนึ่งที่อยู่ข้างทางด่วนนะเป็นเรื่องของคนตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็กขนาดเท่าคนแคระเลยนะที่ตัวเล็กเท่าคนแคระก็เพราะว่าเงินในกระเป๋ามันถดถ้ายก็เลยตัวรีบเล็กลงนะอันนี้เป็นโฆษณาที่บอกว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราก็จะตัวใหญ่มากขึ้น อัตตก็จะพองโตแต่ที่จริงแล้วถ้าคนเราจะมีความถ้าคนเรามีความกล้าหาเพราะมีปัญญานะมีความเข้าใจในชีวิตแล้วเนี่ยถึงแม้เงินจะน้อยเงินจะหดหายตัวมันก็ไม่รีบหรอกจะพาะคนที่ให้คุณค่ากับเงินหรือเป็นท่ายของเงินเท่านั้นแหละที่จะรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าตัวเล็กลงเมื่อไม่มีเงินหรือว่ามีเงินน้อยนะ แ้วคนเราจะแก้วกล้ามั่นคงก็เพราะการมีปัญญาไม่ใช่ปัญญาทางโลกเท่านั้นแต่เป็นปัญญาในทางธรรมเพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้วไม่ว่าเจอร้ายแค่ไหนก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้อย่างที่พูดเมื่อวานจึงไม่กลัวอยู่คนเดียวก็ไม่กลัวอยู่ในป่าก็ไม่กลัว หรือแม้ในยามเจ็บยามป่วยหรือใกล้าตายก็ไม่กลัวเพราะว่ารู้ว่าความตายมันไม่น่ากลัวในความกลัวตายต่างหากนะที่มันเป็นอันตรายมากกว่าและที่กลัวตายก็เพราะไม่รู้นะไม่มีปัญญาคนเราถ้าถ้ามีปัญญาแล้วความกลัวก็จะหดหายไปถ้ามีนักวิยาศาสตร์คนหนึ่งพูดไว้ดีมากบอกว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็หายกลัวความเข้าใจนี้ก็ตรงกับพุทธนะที่เรียกว่าปัญญาบาคนเรากลัวเพราะมีอวิชชาแต่เมื่อมีปัญญามาแทนที่แล้วความกลัวก็หายจะเป็นความเจ็บความป่วยความพัดพาสูญเสียความตายที่ใครๆกลัวกันแต่ผู้มีปัญญาก็ไม่กลัว แะยิ่งตั้งมั่นในความดีนะทำความดีมามากก็ยิ่งไม่กลัวใหญ่อย่างมีคาถาพระโพธิสัตวนะ์พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสัลูนั้นพะระองค์ก็เกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาตินะชาติแล้วชาติเล่าก่อนที่จะมาตัดสรลูเป็นพระพุทธเจ้าที่เรานับถือเป็นศาสดานในปัจจุบันก็มีชาติหนึ่งที่ เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้พูดเป็นคาถาว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมนะย่อมไม่กลัวปัโลกเมื่อทำความดีนะตั้งมั่นในธรรมตั้งมั่นทั้งในทางธรรมนี่ทั้งจริยธรรมคือความดีและสัจธรรมคือความเข้าใจในชีวิตก็ไม่กลัวปัโลกแล้วก็อีกที่หนึ่งก็พูดว่าข้าพเจ้าไม่ เคยทําชั่วในที่ไหนไหๆเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอันนี้เราเป็นความมั่นใจนะความมั่นใจเพราะอะไรเพราะมีศีล น, นะอ่าไม่ทําความชั่วคือมีศีลมั่นคงในศีลก็ทําให้มั่นใจไม่กลัวความตายการการมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อส่ว น, น, นก็เพื่อทําให้เราเนี่ยนะมีความมั่นคงองค์อาจมีความอาจฐานในการดำเนินชีวิต เพื่อว่าเมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่กลัวและพร้อมอยู่เสมอนเพราะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ที่คนี่ตระหนักว่าเวลาเรามีเหลือน้อยลงทุกทีเหลือน้อยลงทุกทีเนี่ยนะก็จะไม่มัวมาแสวงหาเงินทองบริษัทบริวารชื่อเสียงหรือว่ามัวแต่เสพสุกนะเพลิดเพลินใน ในอิทธารมราะก็รู้ว่าเมื่อความตายมาถึงไอ้สิ่งเหล่านี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งเมื่อความตายใกล้จะมาถึงเช่นเจ็ดป่วยมันก็ไม่ช่วยอะไรเข้าได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าได้ทำความดีนะมีศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรม เข้าใจเรื่องกายเรื่องใจนะจนกระทั่งเห็นความจริ ง, จรงแจนแจนเกี่ยวกับธรรมชาติของกายและใจว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นรังของโรคนะแล้วก็มันไม่มีตัวไม่มีตนใดที่จะให้ยึดถือได้ก็ไม่กลัวความตายนะไอ้ที่กลัวความตายก็ยังมีความหลง ม, มีความยึดติด พอเจ็บพอป่วยเขาก็มีความทุกข์เพราะว่ามันตรงมันสวนทางกับสิ่งที่ยึดที่อยากคือยึดอยากให้มันเที่ยงแต่มันดันไม่เที่ยงยึดอยากให้มันสุขมีกำลังวังชาแต่มันไม่สุขนะมันกลับทุกข์มันกลับพร่องมันกลับบีบคั้นทั้งที่ความตายยังไม่มายังมาไม่ถึงนะแต่ว่าก็ทุกข์ลวเพราะความจริง มันสวนทางกับความความยึดความอยางแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ยากเพราะเราเห็นความจริงนะมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ป่วยแก่แต่กายแต่ใจก็ไม่ได้ชาราไปด้วย ถ, ถึงเวลาะะตายนะก็ก็ไม่ได้เสียใจหรือคลั่นครั่มกลัวแต่อย่างใด การปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งนะก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่จะมาถึงซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่แต่รู้แต่ว่ามันใกล้มาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทียิ่งเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันความตายก็ใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคนที่ตระหนักเช่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ไม่ปล่อยเวลาไม่ใช้เวลาไปในเรื่อง สิ่งที่มันไม่มีสาระสิ่งที่มันให้ประโยชน์ช่วครูช่ช่วยามนะจะเข้ามาฝึกฝนตนนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อเพื่อที่จะรับมือนะกับความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาถึงซึ่งมาแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะได้ใ ช, ช้ใช้ความเป็นมนุษย์ของเราให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าก็คือว่าสามารถจะเข้าถึงความสุข สามารถที่จะเข้าถึงความสงบเย็นนะเข้าถึงสภาวะที่ทุกนี่ทำอะไรไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นภาวะโลกุตระนะโลกุตระโล ก, กุตระคือเหนือโลกเหนือโลกในแง่นึงคือว่าเหนือโลกธรรมคือโลกธรรมนี้ไม่สามารถจะทําให้จิตใจวั่นวายได้ ไม่ว่าได้ลาบเสื่อมลาบไม่ว่าได้ยอเสื่อมยศดไม่ว่าสารสนินทาสุบทุกข์ก็ไม่ทําให้ใจฟูใจแฟบใจกระเพื่อมนะเนือโลยความหมายหนึ่งก็คือเหนือ้อความทุกข์ความทุกข์นะกนี่กับโลกนี่มันมันใช้แทนกันได้โลกคือทุกขนะ์ทุกข์ก็คือโลกเนือโลกคือเหนือทุกข์ทุกข์นี่ไม่สามารถที่จะนะเข้ามาทําให้ จิตใจวันไหวได้ถ้าเกิดมาทั้งทีก็มันไม่ใช่ว่าเป็นของง่ายนะที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แะนะพริเจ้ารนี่เคยเอาเล็กเนี่ยจิกไปในดินนะพื้นทรายแล้วก็ถามภาษาวกว่าสายที่ติดนิ้ว กับทรายที่อยู่ในแผ่นดินนี่อันไหนมากกว่ากันภาษาวอกก็ตอบว่าทนระายในแผ่นดินเนี่ยมันมากกว่าทรายที่ติดนิ้วพระพุทธเจ้านี่เยอะมากเลยทรายที่ติดนิ้วพระองค์นี่น้อยมากเนะพราะคือเจ้ากตา่าเนี่ยสัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันมีน้อยนะพอๆกับทรายที่ติดนิ้วพระองคนะ์ส่วนสัตว์ที่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์นี่ ในวัตัาสงสารนี่มันมากมายมหาศาลเหมือนกับทรายในแผ่นดินเลยพวกเราเนี่ถือว่าโชคดีนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนส่วนน้อยเป็นคนเป็นสัตว์ส่วนน้อยนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และแถมยังได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนายิ่งกว่า น, นั้นยังได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ทำให้รู้ว่า จุดหมายของชีวิตนะมนคืออะไรนะอุดมคตินะที่มนุษย์เราควรไปให้ถึงนี่คืออะไรมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลอยไกลความฝันมันเป็นสิ่งที่เข้าถึงเข้าถึงได้อย่างที่พระเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างแล้วที่พร ะ, พระอรหันต์มากมายได้นะเป็นแบบอย่างว่ามนุษย์เราเข้าถึงได้ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทกีก็ควรจะได้ เข้าถึงหรือเข้าใกล้ภาวาะเช่นนั้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆในงานมันก็เรียกว่าเสียของนะเสียโอกาสเวลาเราได้ซื้อของอะไรมาราคาแพงๆนี่ถ้าเราใช้ไม่เต็มที่เราก็เรียกว่าเสียของนะแต่เราก็ไปสนใจว่าไปห่วงกับการเสียของต่างๆมากมายจนอาจจะลืมไปว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละ ถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะถึงเวลาความตายมาพลากจากไปแล้วก็ถึงตอนนั้นค่อยมาเสียใจแต่ถ้าเกิดเราตระหนักว่าเนี่ยความเป็นอยู่ของเราจะเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐนะแล้วเราใช้ให้ใหเกิดประโยชน์เต็มที่โดยเวลาที่มีอย่า ง, างจำกัดมันก็จะไม่เสียของนะ มันเป็นการใช้ความเป็นมนุษของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มตามศักยภาพพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนอริยโลกุตตรธรรมก็คือเนี่ยสภาวะที่พ้นที่เหนือโลกพ้นโลกเนี่ยคือพ้นทุกเหนือทุกเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่มีในตัวเราทุกคนอันนี้แหละคือของที่มีค่าที่ประเสริฐ ถ้าเราไม่ใช้มันยิ่งก็เสียของเองนั่นนะมีของดีติดมากับจิตกับใจเราแล้ ว, ลวนะเราไม่ใช้ไม่สนใจหรือไม่คิดว่ามีไม่รั่วมีได้ซ้ํามันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะมันยิ่งก็เสียของซะอีกวันะนั้นนี่อย่าอย่าปล่อยให้ของดีๆสูญค่าไปจริงๆเวลาแต่ละนาทีนี่ก็ถือเป็นเวลาที่มีค่านะ แต่ว่าเวลาที่ที่เรามีเนี่ย <favorite ị> อย่าไปมองว่าเป็นเงินเป็นทองนะถ้าเรามองเป็นเงินเป็นทองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเราจะเสียดายเวลาเราก็จะเอาเวลาไปทํามาหากินไปผลิตเป็นเม็ดเงินออกมาคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยอย่างที่บอกเวลาส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเงินมีสถานภาพคนพวกนี้เขาจะรู้สึกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยที่ไม่มี ไม่มีเงินไม่มีทองไหลามาเทมาเขาจะรู้สึกว่าการไม่ทําอะไรการไม่ทํามาหาเงินนะมันหมายถึงการเสียเงินเสียทองไปอย่างเช่นชั่วโมงหนึ่งได้มาชัว่วโมงเขาชั่วโมงหนึงเขาสามารถจะหาเงินมาได้1นึ่งหมื่นบาทถ้าชั่วโมงนั้นถ้าชั่วโมงไหนเขาไม่ไปทํามาหากินเขาก็จะเจ้าสึว่าเขาเสียเงินเป็หมื่นหนึง่งแล้วเขาทนไม่ได้นะ จะปล่อยให้เงินหมื่นหนึ่งมันหลุดลอยไปเพราะก็ต้องเอาไปใช้ทํามาหากินแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาทําอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากกว่ามันไม่มันมีคุณค่าแต่มันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้เช่นเวลาที่จะมาให้เวลากับคนรักพ่อแม่ครอบครัวลูกหรือว่าให้เวลากับจิตใจของตัวเองเพื่อใช้ อริยโลกุตตรธรรมซึ่งเป็นทรัพย์มีค่าอริยทรัพย์นี้ให้เกิดประโยชน์เวลามีค่าแต่ไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองถ้าเราใช้เวลาแต่ละนานทีให้มีค่าในลักษณะที่ว่ามามันจะเกิดประโยชน์มหาศาลทีเดียวทําให้สุขในทุกขณะสุขในทุกเวลาชนิดที่วางเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ เอาละครับในกระเท่อนนี้กลับม